นี่มีหลายเครื่องแล้วหกเครื่องแล้วแต่เป็นหวดเดียวเออคนนี้ก็อยากจะทางคนนี้ก็อยากจะท่วมไม่แนครับช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าใครอยากชะไหเครื่องยิ่วอย่างนั้นกยังรับได้อยู่ับ ไม่มีครับฟังฟังตอนกลางช้าเลยฟังตอนที่บ้านเฟังในรถ ต, <อ>ตอนข้าวที่ทัพเรื่อ ง, งนนะดีแตถ้าจะให้ดีฟังแบบนั่งเฉยๆจะดีกว่าจะได้เต็มร้อยถ้านั่งฟังแล้วขับรถไปมันจะได้ขึ้นเดียว น, นั่งฟังเลยครับนั่งไม่ได้ขับใช่ไห อ, อถ้านั่งเฉยๆดีถ้าขับรถไปฟังไปมันจะได้ขึ้นเดียวเพอ้ึ่งนมันน่าคอดูถนน บาทีมันก็เข้ามันทีก็ออกแต่ถ้าก็ายังมีกว่าฟัเพลงนะดีกวบ <c oughs> แต่ถ้าอยากจะทําให้มันได้เป็นร้อยไม่ต้องนั่งซูเฉยอย่างนี้อย่างที่เรามานั่งฟังกันอย่างนะี้เนี่ยใจมันจะดจดจ่อฟังได้จไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเรื่องอื่นก็ดีทําไปเถอะแต่บางทีผมว่าผมไม่หลับนะบางทีมีเคยมีน้องแอบมบาแอบบถ่ายหนระ <c oughs> อะ ที่จะหลับก็บอกพี่หลับไม่หลับมันเผลอแล้วมันคุยมันก็เผลอได้ไม่เก็นไรหลับก็หลับไปแสดงว่าสติเรายังไม่ไม่มา ก, กอพอพอใจสบายแล้วมันก็จะหลับเข้ามาอยู่ที่หน้าโคหน้ากลัแล้วมันจะไม่หลับพอมาอยู่ที่นี่นันกเนลอเ่ยเด็กที่แค่แค่ในป่าไม่มีฟ้าไม่มีอะไร การมุ้งก็จะอยู่นั่งอยู่นนมุงวนซักที่ดมอันนั้นมันจะไม่ค่อยหลับหรอกเพราะมันจะหวานระแวงคอยมันจะตื่นตัวการอยู่ในป่าในเขาเมืองนี่สงช่วยเสริมสติช่วยสร้างให้ให้ให้ให้จิตตื่นตัวไม่ประมาานอนใจให้มีความระมัดระวังความระมัดระวังนี่ก็คือสติ ถ้าทำอะไรเราทำด้วยธรรมระมัดระวังเรียกว่าสติถ้าทำด้วยธรรมรอบครอบก็เรียกว่าปัญญารอบคอบก็คือต้องคิดเอคิดว่าเรียบร้อยไหมถูกต้องไหมนี่เรียกปัญญาเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ทํากิจวิทอะไรต่อหน้าท่า น, นต้องต้องเรียบร้อยรอบคอบต้องระมัดระวังทําผิดไม่ได้ทําเสียงดังไม่ได้ ช้อนชามชอามช้ออะไรเงี้ยเช็ดเช็ดมือชามเนี่ยโป้งเก้งโงแก้งนี่ดอนเวลาเราทำโดนไม่มีสกิจะเช็ดช่วยเช็ดชามจะทาอะไรนี่ต้องเงียบเพียะอว่ามีความะมัดระวังเวลาเราะมัดระวงนี่ถ้าเท่ากับเราไม่มีสติใจเราเก็บจองอยู่งานที่เราเราทำเราไปคิดเรื่องน้ื่องนี้เดี๋ยวก็เสียงรุ้งปังปงปังไปเวลาฉันก็เหมือนกันเวลาฉันนี ก็ต้องมีสติตอยู่การฉัการเคี้ยวถ้าเคี้ยวผักบุ้งเสียงดังกรอบๆนี่พระเนี่ยนั่งเงียบๆนี่ได้ยินกันทั้งศาลาเชียว <c oughs> <c oughs> โอ้ที่ยังเคี่ยวกบับๆไม่หยุดนี่เดี๋ยวโด <c oughs> นราจารย์กำลังเพลินกับการเคี้ยวอย่างนี้ว่าฉันแบบไม่มีสติตถ้าฉันแบบมีสติใช่มันดังนี่ชั่งปุ๊บแล้วก็ลองหยุดนะทาหารไม่มอง <c oughs> ม, มีใครมองไม่มองไม่มองก็ไอ้ปุ๊บ ถ้ามีคนเมืองก็ไปกินดีกว่าเอาของที่ไม่มีเสียงดีกว่าท่านทำอะไรท่านระมัดระวังมากไม่ให้ดังเสียงปุ๊กลัุ๊กลับจิ๊บจับอะไรพระกรรมฐานนี่จะไม่นิยมใช้ช้อนตักอาหารในบาตเพราเวลาชัช้อนบางทีมันช้อนมันไปคลอกกระบาดเราบาทสมัยก่อนนี่ไม่เหมือนบาทสมัยนี้บาตสมัยก่อนเป็นบาตรเหล็กที่ขึ้นสนิมได้ ตอนที่จะเอาบาดเหล็กมาใช้ได้นี่ต้องไปเผาครับเผาเพื่อให้มันเกิดผิวเครือบตัวเหล็ ก, อ ก, กเองเขาเรียกบ่มบาดไม่ได้เผาแล้วเหมือนกับไอ้อบเอาเอาบาดไปใช้ในในครอบเหล็กะเองแล้วก็เอาไฟเผาเอาความร้อนนี้ทําให้เหล็กนี่มันจะผลิตผิวผิวขึ้นมาคอบแต่มันเป็นผิ ว, วาบาง ถ้าเราเอาอะไรท้าเอาบาดไปกระแทกอะไรปั้มนี่มันจะหลุดเลยพอหลุดแล้วนี่ก็ใช้ไม่ได้เพราะเดือน้ํามันเข้าไปแล้เดืยวมันจะเกิดสนุนได้เวลาท่าฉันสมัยก่อนนี่ต้องระมัดระวังรักษาบาดอย่างมากไม่ให้มันกระทบกระแทกกับอะไรเพราะเป็นกระทบกระแทกแล้วเดี๋ยวือดผิวที่มันเคลือบบาดนี่มันจะหลุดหลุดแล้วก็ต้องมาลอกมันออกให้หมดแล้วก็เผาใหม่ถ้าเผาแล้วสองสามรอบบาดมันก็ทะลุเลย เด็กมันหมดไมหม ด, มหมดมสมัยก่อนท่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ใครแต่บาทของท่า ง, ง่ายเพราะว่าคนไม่รู้เดี๋ยวไปจับแล้วไม่ระมัดระวังเวลาวางบาทก็ไปตั้งของแข็งเวลาล้างบาทดไม่ให้ตั้งบนของแข็งไม้แข็ขๆนี่ไม่ให้วังเห็นไมมมีมีก็เลย ม, มีปีนบาทเวลาล้างบาทก็มีห่วงยางรอวางไว้ไม่ให้ตั้งบนพื้นแข็งไอเด็กมันจะ ไอ้ผิวนั่นมันจะจ ะ, จะหลุดได้แต่สมัยนี้มันเป็นยุคสเตเลสแล้วทีนี้ไม่ต้องเผาแล้วมันสนิมไม่ขึ้นแล้ว <c oughs> แต่สมัยก่อนมั น, มนระวังมากเรื่องบาสนี่ถ้าคนที่ไม่รู้จักจะมาขอเอาไปล้างบาสนี้ท่านจะไม่ให้ล้างท่านกลัวล้างบางแล้วแต่ท่านท้างไมเผาบาสนั่นใช้เวลาทั้งคืน ต้องไปหาไม้ไผ่หาไม้เฟอรมากองให้ก่อนทมใหคุ้มใครก็อเอาไปล้างบาตรเยอะวแล้วก็มาทำแต่ไม่คุ้มค่าคทั้งคนที่ไม่รู้เรื่องไท่านจะไม่ให้แต่บาทท่านไม่ให้รับบาทคนต้องรู้ก่อนว่าวาิธีปฏิบัติกับบาตรเป็นยันไงยการปฏิบัติท่านต้องระมัดระวังเนี่ยต้องมีสติรอบข้อก็อมีปัญญา เราจะวางไว้ตรงไหนเป็นภัยกับบาปหรือไม่ในครูบาอาจารย์ถ้าเอาเรื่องนึงแคน้อยเนี่ยมาเป็นตัวสอนให้เราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ทั้งโลกจะเห็นว่าเออเรื่องอะไรจิ๊บจ้อยใช้ไม่ต้องมาพิสีจน์พิถันกันแล้วกันกับก บ, บาปใบเดียวกับช้อนอันหนึ่งกับอะไรที่นี้เนี่ยใครเขาไม่เห็นว่าอันนี้ของอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาไม่ตโวสําคัญแต่ตัวสำคัญก็คือทำที่จะเกิดขึ้นไปใน ใ, นใจเรา เพาะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาฝากที่เลสไม่ได้สู้เกตไม่ไโยนมันน็อกทุกทีกิเลสมันฉลาดมันมันร้อยสันทันคมมันถึงเป็นเจ้าโลกมันมันเป็นเจ้าของวัฏจักรสันโลกทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นเป็นที้ข้าของมันนมันมันเป็นผู้สั่งให้มันเวียนว่ายตายเกิด มันไม่ให้หยุดออกจากวัดจากจักรไม่อะไม่ให้มันล้าออกจากเป็นสมาชิกมันไม่ให้ออกถ้าเป็นลูกจิตของกิเลสแล้วมันไม่ยอมให้เราออกจากงา่ายๆถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเจอพระอาหารหันตสาวลงุงไม่มีทางที่ทจะไปเองนี่ยากแม้แต่มีหนังสือธรรมะของพระเจ้าอ่านก็ยังยังหลงได้ แต่ถ้ามีผู้ที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบที่รู้แล้วหฝึกพ้นแล้มีนภาษามันง่ายกว่าเยอะให้ยกาเรียนจากหนังสือแต่หนังสือเรียนไม่ ก, ก็ดีจะได้รู้แนวทางเ้าไปเจอคนที่ไม่รู้จริงมาหลอกจะได้รู้ว่าเขาหลอกเราอย่างตอนนี้ชาวพูดโดนพระหลอกกันที่ขายว้ยว่ากัน <c oughs> ใครมาพูดก็เป็นอะไรก็โอ้โหตื่นเต้นกัน <c oughs> วันนี้มาครับจะว่าจะมาขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยสอนกลางวะสอนการวางจิตให้คนที่กําลังสืเสพสื่อข่าวพระต่างๆนานาอยู่เพราะผมว่าบางทีคนที่เสพเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรเลยก็แสดงความคิดเห็นออกมาในทางที่ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ไม่ใช้ปัญญาเลยก็เขาไม่อคติอยู่แล้วถ้าเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็ได้สะใจได้เหยียบย่ำอย่าง พวกที่เขารบนะเจอก็เลยเสือส่อมศรัทธาไปเพราะแท้ไ่หมดศรัทธาไปเพราะว่าไม่ได้ใช้เหตุใช่ผลไม่ได้ปางไม่ได้แยกแยงว่าออมันก็เหมือนปลาทูเน่าในเข่งปลาเน่าในเข่งปาไหนเน่าก็โยนนทิ้งไปเลยไม่เละเทเป็นทิ้งทั้งเข็งเลยเรเจอภาพไม่ดีอองเดียวกูไม่เข้าวัดเลยต่อไปนี้ไ อ, อ้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่เห็นไหยแกะแกะออกไม่เป็นอไม่ใช้ปัญญา พอใครเขาเห่อพอใครเขาล่มรู้ว่าองค์นี้ดีวิเศษก็โห่แห่กันไปเป็นเป็นพายุอยี้ยไม่รู้ว่าเขาวิเศษยังไงตรงไหนเขาว่าวิเศษก็โอ้เอากันใหญ่เลยถึงบอกต้องศึกษาพระธรรมคำสอนบ้างอย่างน้อยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็เอาจากพระไตรีดฎกให้รู้กว่าอริยาสัจสี่มรรคผลนิพพานไ ป, ป็น ขอให้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอย่างอิธิลิปปาทิหารนี่ไม่ใช่เป็นธรรมเป็นเวราฉานวิชาไม่ได้ทําเป็นธรรมที่จะทําให้สู่การหลุ่พ้นจากการหนึ่ง่าจายเกิดไม่ได้เป็นธรรมที่จะทําให้บรรลุมรรคผลุป harma เราฉานวิชานี่ก็เ็เหมือนวิชาทางโลกดีๆนี่อำไมนี่มนุษย์เราก็บินกันได้กันทุกคนแล้วไม่ใช่มีเงินซื้อตั๋วขึ้นขึ้นเครื่องบินแล้วบินกันได้ แล้วปีนล้ทำให้เราวิเศษยอยู่เหนือกิเลสได้ปะฆ่ากิเลสได้ปะตัดกิเลสได้ปะอย่ยงเมื่อสอวันกันก็เล่าเริ่องฤษีองค์หนึ่งบินเข้าไปในวังได้พระราชาออชอบใจขอลบพระเชือใหญ่ขอเหินเดินอากาศได้อำหนดเดินบินไปทางหน้าห้องของมาเหสีกําลังแก้ผ้าอยู่ก็เลยเกิดการมาลาค้าเกิดขึ้นขอก็ไปเสกกลาง มันเป็นได้แต่มันฆ่าเกลือไม่ได้เราเลือกชาติได้มันฆ่าเกลือไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อฆ่าเกลือเขาไม่มีอะไรที่จะปวดร้ายทาลุงกับจา ก, จาก็บชีวิตจิตใจของเรายิ่งเท่ากับกิเลสตัณหาทุกวันนี้ที่เราทุบปุ่นวายกันทุกวั น, นก็เพราะกิเลสตัณหาเทานั้นไม่ใช่อะไรดันั้นต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้ปฏิบัติเพื่ออะไร แล้วการปฏิบัตินี้จะเจออะไรบ้างเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันเจอได้ที่ลิบปาจหานี่มันเจอได้เราลึกชาติได้เจอเทวดาเจอมากอะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่มันไม่มีประโยชน์กับการฆ่ากิเลสนี่นอย่าไปตื่นเต้นโอ้โหจะเกิดการเป็นการยึดติดอีกพ อ, อวันวันรุ่งขึ้นจะนั่งอีกอยากเห็นอีกไม่ได้แล้วก็ริบิดตกแล้วเ ก็เหมือนไปดูหนังอ่ะดูหนัง <S <S พอวันนี้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะดูอย่นั่งสมาธิแล้วอยากได้ไปเที่ยวสวรรค์ได้สัมผัสอะไรที่สหยโสดงดงานสนุกสานสานเยฮาตื่นเต้นเฝ้าใจเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะติดจะดั่งนั้นรอ <S <S จะเจออีกแล้วทำให้ลุนนชาติได้ก็อ ย, า, <สะ S 2> อยาจะลึก ต, ต่อไปถ้าติก่อ น, เ ป, นอเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไปไม่ไปมันก็เหมือนกับดูเปิดดูทีวีดีนี่ ไม่ได้ฆ่ากิเลสแต่กับทาให้กิเลสนักขึ้นเกิดความอยากมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ประชาชนจะเห่กับของพวกนี้กันถ้ามีภาพออกมาออกทางลิทังเหลนโอ้โหแขนมันไปยเป็นเหลนเกิดแสงถ้ามีภาพมาสอนให้ดับกิเลสนี้ถอยกันหมดเลยพอมาสอนให้พิจารณาสุขสอนให้พิจารณาความตายนี่ไม่เอาแล้วไปดีกว่า ถ้ามาสอนให้ร่ําให้รวยโอ้โหนี่ไปกันไปวัดนี้แล้วถูกหวยนำงวันที่หนึ่งโอไปกันใหญ่เลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเกิดเราอย่างเรารู้ว่าทัานยังติดติดอยู่ในติดเตะแล้วตอนนี้เราไปพรมากอย่างเงี้ยเราเราจะบาสนีครับเพื่อท่านยังสนักท่านยังยึดติดอยู่ในในสิ่งนี้อยู่เลยแต่เราคิดในใจของเราเราไม่ได้พูดมันอยู่ที่ว่าเราคิดดีนึกคิดไม่ดีถ้าเราคิดตามหลักธรรมมันก็ไม่บาป แต่ถ้าเราคิดเพราะว่าเราเกลียดท่านกรธท่<ร>าอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอารมณ์ไม่ได้แต่พิจารณาได้เหตุผลแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้มันไม่ดีแต่เราไม่ต้องไปว่าใครหรอกว่าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาไม่ฟังเราอยู่แล้วใ ช, ใช่ไหมเราจะว่าใครก็ต้อง <c oughs> ดูคนที่เขาให้เราว่ารู้ปาก็ฟังเรารู้ป่าแล้วก็เป็นลูกศิลป์ลูกค้าเราเรามีหน้าที่ต้องว่าเขาเราก็ว่าเขา การไปการไปปามาดูถเถียงอย่างเพราะว่ามันไม่ไม่เกิดไปรยชน์น่าจะสมเพศเรียกธนาไปดีกว่าแล้วก็เหมือนอย่างแต่ว่าเราเราเราพิจารณาโดยหลักธรรมว่าท่านยังเหมือนว่ายังยึดติดอยู่ใน<อ>ในสิ่งนี้อยู่ต้องแทนเมตตาต้องสงสารไปดีดีก่าสมเพศสงสารแล้วเนี่ยเห็นั้นเนี่ยคนมันหลงทางก็เป็นอย่างนี้แหละน่าสงสารจะเป็นอย่างนี้ถ้าพิจารนาแบบนี้คือไม่บาปนะครับไม่บาปอ๋อครับ จเรียนถามพระอาจารย์ละค่ะที่จะถามเร่องคำบาลีที่ตัวกับคําว่าทุกข์เรืงนั้นที่เกิดขึ้นทุกขนั้นที่ดับไปก็คือว่าประเด็นสําคัญในชีวิตของเราก็มีแค่นี้มีที่ทุกตัวเดียวนี่อนะค่ะมีฐาเป็นคำบาลีที่เป็นตัวนังอ๋อเราไม่ได้เรียนมาเหมือนกันเรายังไม่มีนักทำตีเลยแม้แต่บวชมาเนี่ยมาบัวก็ไปอยู่วัดฝาเลยวัดปาก็ไม่มีเรียนเล ให้ได้สำคัญจะบาลีให้บาลีขอให้มินิเข้าใจคางหมายม้นั่ีเซลพอสดบมเสร็จ ท, ทำว่เช้าเสร็จก็จะมีทำบาลีภาษาไทยแล้วก็คือทก่อี้นใทตอนนี้่ะที่มือมลองลองเสิเร์ชเข้าไปใน Google เดี๋ยวก็ได้ทุกท่านั้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะแล<อ>้ว<อ>แล้วแล้วเขียว่าทำบาลีเดียวมันก็จะมีหาให้หาง่ายเดี๋ยวนี้มีห้องสมุดใหญ่โต อยาจะรู้อะไรบางทีเราไม่รู้แล้วก็เข้าไปเราคนมาถามธรรมะบางข้อเราไม่รู้จะตอบไงแล้วก็เข้าไปในภูเก็ตเราทําที่มันชัดๆมาพูดไม่ได้าลราก็บางทีเรเข้าไปเรารู้คาอยู่ในใจแต่มันนึกไม่ออกภาษาที่จะมาใช้สละสวยเหมือนคาพูดของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาได้นั้นมีมีข้อหนึที่สงสัยครับเพียง ที่เป็นขาวในขณะนี้ครับมันจะมีคลิปวิดีโอนึ่งแล้วที่ลูกศิษย์ถามว่าอ่าถามเกี่ยวกับปฏิชาคุณบุบาทะครับอืมแล้วท่านก็ตอบกลับมาประมาณว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าเรารู้แต่ผลแต่เราไม่รู้อ่าวิธีเหมือนคําพวกนี้ครับอะไรแต่เรารู้แต่ผลที่ผลลัพธ์อะไรเงี้ยครับก็เลยอย่างนี้ครับไอคำเนี้ยมันมันมัน สำคัญมากไหมครับจำเป็นต้องรู้มครับผมไม่ต้อ ง, งรู้ก็ได้คือคนที่รู้ผลก็ต้องรู้เหตุหตหตใช่ไหม<ช><ช>รู้ว่า<ม><ม>เกิดผลที่ขึ้นมาได้ยงเช่นทุกข์ดับได้ยังไง ม, มันก็ต้องรู้ว่าออเพราะว่าเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความหล ง, หลงและเห็นว่าความอย่างนี้ก็เกิดจากความหลง<ม>ความหลงก็คือว่าประยัคนี่สิ่งที่มันเป็นทุกข์นั่นเองสิ่งที่เป็นสุขไม่ไปอยาก กับประหยัดในสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็เลยทุกข์ไปเอดูไปเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสลาบยุสั น, น ล, ล, ล, สะละเสรม น, นี่เป็นสุขนเพราะนีเรียกว่าความหน่งทุกวันนี้คนหาเงินหาทองเพื่ออะไรเพื่อความสุขใช่ไหมหาผัวหาเมียเพื่ออะไรเพื่อความสุขใช่ไหมแล้วพอได้มาแล้วมันสุขหรือทุกข์น่หละดูตรงนั้นมันทุกข์ใช่ไหมมันสุขนิดเดียวสุขแบบยาขมเครือบน้ําตาล สุกชูบูสุกใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆมอกข้าวยังไม่ทันดำสมัยนี้เมื่อสองวันก่อนมีคนมาหาเราคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้ก็คนกำลังจะแต่งงานไม่ใช่เลยเพราะว่าหย่าแล้วไ <c oughs> ม่ตีเดียวเพราหย่าแล้วเดียก แ, แ, แต่งแล้วแต่งแต่ง้วต้นตีครับเราจะแต่งงานก็มาหาทาั้งทั้งแฟนทั้งอะไรมามาขอพรแล้วนี่วันก่อนมาคนเดียวแฟนไม่ได้มาแล้วถามว่าแฟนไปไหนเขาหย่ากันแล้ว เนี่ยมันสุขวยทุกข์ถ้ามันสุขมันก็ต้องอยู่กันต่อเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันลงเนี่ยง้นของทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าบอกเป็นทุกข์หมดอันนี้จังทุกขังแล้วนะเพราะมันอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันนัาตาเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราเห็นอันนีจังทุกขังหน้าตาเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่อยากรันมต้องรู้อย่างนี้ ถ้าไม่พูดอย่างนี้มองก็รู้ว่าฉันดับทุกหมดแล้วโดยที่ไม่รู้ฉันดับยังไงก็โมเม่ตั้งดับอย่าไปเชื่อเพราะพุทธเจ้าแสดงทั้งเหตุทั้งแสดงทั้งผลใช่ไหมคุณได้เงินร้อยล้านมาได้ไงฉันต้องมาเล่าให้เราฟังหน่อยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่รู้อยู่ดีๆมันก็มาเองฝันสดตืขึ้นมามันก็มาเองก็อย่างนี้ก็มีด้วยแล้วพระอาจารย์ครับแล้ววินาทีแรกของผู้ รับรู้ข่าวสารเนี่ยครับควรจะวางจิให้เป็นยังไงแล้วแบบหลักธรรมข้อไหนก็ไดก็ธรรมสูตรไงธรรมสูตรแต่แปลเป็นแปลว่าไม่ให้เชื่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากใครก็ตามจะเป็นอาจารย์ของเราก็ดีเป็นคนที่เราเคารพนับถือก็ดีไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายข่าวดีอะไรเขาลําลือมาอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีเราต้องฟังหูไวหูก่อนและและถ้าเกิดว่า เชื่อแล้วแล้วมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยต้องทํายังไงต่อครับก็ต้องไปดูมันจริงหรื อ, ป เ, อเปล่าอ่ะเช่นไฟไม้บ้านของคุณเนี่ยคนก็โทรสามมาบอกคุณตอนนี้ครับคุณจะตื่นเต้นตกใจหรือเสียใจหรือเฉยเยมันก็ไม่รู้อยู่ดี อ, ะอ่ะได้ไหมคุณก็ต้องไปถึงที่บ้านถึงไปดูคนอาจจะหลอกเล่นก็นได้เอฟโฟูก็ได้วันนี้ได้ไหมเพราะสมัยเนี้ยครับอย่างสื่อทางอินเทอร์เน็ตอ่ะมันง่ายเรื่องครับที่คนคนหนึ่งเนี่มันจะ อามาดเป็นหนึ่งมศาสนาหรือสงฆ์ทั้งว่าต้อ ง, ต, องต้องเขียนการมาสูตรไว้ในการมาสูตรเออันนั้นแหะสิทประกา ร, รเขาว่าไม่ให้เชื่อไหมเข า, าไม่ให้เชื่อแบบไม่เชื่อเล ย, ยเพียงแต่ว่าฟังหูว่หูเขาพูดอะไรมาก็ฟังไว้รับฟังแต่อย่าไปเชื่อร้อยเปอนต้องไปพิสูจน์ก่อนครัอย่างหมอหัวเอายานี้ไปกินเราจะหายอย่างเงี้ย ค, คุณก็ต้องเชื่อก่อนนะ แต่คุณยังไม่รู้จะหายไม่หายจนกว่คุณจะเอาไปกินยานะต้องกินยาต้องไปพิสูจน์ก่อนพอหายแล้ทีนี้หมอบอกว่ายานี้ก็เชื่อทันทีเลยกินได้ต่อไปใครเป็นอะไรก็เอายานี้ให้เขากินได้เลยครับแล้วเมื่อพิสูจน์แล้วเป็นจริงตามข้อที่จริงต้องวางใจยังไงต่อครับเพื่อจะไม่ให้เราไปโอเบคข า, อาโอเบคขาจำของศักดิ์ไปจะดีจะชั่วก็เป็นกรรมเป็นบุญของเขาไป แต่ทั้งหลายมีบุญมีกรรมเป็นของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดูโดยเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรนั้นเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแคานั้นเองผู้เดือดขี่ยเป็นตัวสําคัญเพราะคนสมัยนี้เขาเก่งกันคือออกความคิดเห็นกันเร็วไปหน่อยครับดาต่างนานาจนขาดการพิจารณาผมก็เลยกังวลในจุดนี้ก็เลยอยากจัดมาจานเขาสองพวกเขาครับโลกนี้มันเป็นนี้มาแต่ดั้งเดิม เรื่องสาระสารนินทานนี่มันมีกู้หยุดคู่กับโลกมาตลอดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างอย่างล่าสุดครับอาจารย<น>์ใน facebook นี่เองนะครับรรก็มีคนเข้ามาถามว่าเป็นเหมือดวัยรุ่นไหนครับเข้ามาว่าข้าจารย์ดุจชาติคือใครที่ไหนอะไรอะไรไงแล้วก็มีคนมาก็คืออาจจะรู้จักกันเนี่ยคับมาก็มาถามแล้วเขาก็เหมือนว่าอ้าวเป็นคนมาแล้วเป็นสิทธิ์ลูมตาหมาปัวพอพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าต้องพูดว่า เขาเขียนว่าอ๋ อ, อปกติไม่ค่อยฟังลูกศิษย์ฟังแต่อาจารย์อะไรงี้ครับ <c oughs> แล้วก็คนที่มาตั้งพูดเองก็พูดแล้วก็มาพูดว่าอ๋อเป็นเป็นเป็นแนวสิษย์หลวงตามหาบัว ก, ก็คงเหมือนพระอาจารย์อีกองหนึ่งอะไรที่แบบพูดจาโผงผางโผงผางอะไรเงี้ยอย่างนี้ เหมือนว่าอย่างนี้เขาไม่ติดตามและอะไรแล้วเขาก็ออกไปแล้วก็เฉยแล้วแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนีไม่น่าจิตตังไงเราตัตงมังมงมนจะไร ต้องเตรียมตัวแั้เตรียมใจไว้แต่เดี๋ยวต้องมีใครด่าแล้วต่อไปกติครับคาราวาสก็แล้วก็ดูแลก็ตลกจะเลยทำแล้เดี๋ยวจะมีมีประวัติอันไม่ดีของเราออกมาให้เขาฟังนี่ต่อไปมันต้องเป็นคนต้องไปขดคุยสมัยเราเป็นคาราวาสเราเคเป็นชิตปี้เคยสืบคชาเคยเที่ยวผู้หญิงเคยเล่นการพนันนั่นันสมัยคาราวาสเราก็เคยเราเคยแล้วไม่เราไม่ปกนแล้วไม่กลัวหรอก เขาพัยาต้ไปถามคนเก่าๆแค่ๆ ร, รู้จักประวัตราดิรู้จักเคยรู้จักแบม บ, นะบูบาไหมแบมบูบาอ๋อเก่าแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับบไม่มีแล้วกลายเป็นโงแรมาดับหรูไ็่ะอ่ามินค า, าวาวานมันก็ต้องอยู่แบบคาลาวาไนะ้ครับก็้ครัก็อยู่แบบพระได้ อาจาตอบข้อสงสัยว่าอาจารยเคยใช้ชีวิตแบบคนปกติมาหรือเปล่าอะไรแบปกติเป็น <c oughs> ค, คนธรรมดาทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันมันมันริ้นรถแล้วมันรู้ผิดรู้ถูกแล้วมันก็ไม่เอาละเพารู้ว่าไม่ใช่มันก็ไม่เอาแล้ะแต่ตอนมันเด็กมันก็อยากจะลองทุกอย่างที่พระจันเทพนี่ก็เหมือนกองเพลิงหมายถึงว่าชีวิตตอนเป็นคาราวามันแยกมันมีแต่ความทุกข์สุขน้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของนักบวชแล้วมันต่างกันเยะอะโดยเฉพาะถ้าชีวิตที่ได้ได้ธรรมะแล้วเนี่ยมันต่างกันมากชีวิตที่ทําหน้านี่ถ้าจะไม่มีทุกข์เลยถ้าหมายถึงว่าถ้ายังไม่หมดนะแต่มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยแต่ที่ฆราวานี่โอ้นสุกนิดเดียวเหมือนสุกเป็นแบบเกลียวที่ติดอยู่ปลาเดแล้วก็ถูกเบ็ดเกี่ยวปากอยู่ตลอดเวลา มันทุกอย่างนั้นมีวันไหนที่ไม่ทุกข์บ้างนะจะทุกมากก็ทุกขน้อยทั้งนี้มันต้องไม่ทุกเรื่องแม้ก็ทุกเรื่องนี้นั่งรถไปมันก็หงุดหงิใจนี่ก็ทุกข์อล้วบางทีเราไม่รู้ว่มันทุกขะแต่มันทุกตลอดเวลาพอไม่ได้ดังใจหน่อยก็ทุกแล้วใครเดียดใครบาดหน้ารถเราก็ทุกแล้วไปไม่ถึงที่ก็ทุกข์แล้วอยากจะไปเร็วๆไม่ได้ไปก็ทุกขแล้ว สั่งเวียติ๋วแล้วเอาเอามอหมีมาให้ก็ทุกเลยทุกเพราะความอยากไม่ได้ดังใจอยาเป็นท่านี่ไม่ต้องสั่งได้อะไรมาก็กินมัอย่างนั้นพระเจ้ารู้จักวิธีกำจัดทุกข์ท่านถึงสอนวิธีอยู่แบบเรียบง่ายมักน้อยสันโดวนอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ได้ได้เยอะ ไม่หมดนะแต่ก็ได้เยอะเบาบางลงมันโด๋ยก็ยินดีตามดีตามเกิดวันนี้ภรรยาทำอะไรอะไรให้กินก็กินไปไม่อยาบน่น <c oughs> กินไม่ได้ก็อยากกินอดไปเฉยๆดับไปเลยถ้าอดสักสองสา ม, มื้อเดี๋ยวข้าวเปล่ากุ้งน้ำปลาก็าอร่อยก็อร่อยแค่ตรงปากนนั่นะครับมันอยู่ที่ <c oughs> ใจเราใจเราไปผูกพันกับมันเอง <c oughs> ของอร่อยนี้ให้กินแค่สิบวันมันก็ไม่อยกินแล้วอ่ะน้ำเบื่อเบื่อแล้วเบื่อไม่เอาแล้วทำไมอยู่มณเฑียรเราไปทํางานร้านอาหารโอ้โหใหม่ใหม่เขาให้กินฟรีอะไรโอ้โหกินหนักเลยพอทํางานไปสองสามเดือนไม่อยากจะกินอะไรนะี้ย <c oughs> ของในโลกนี้มันเป็นอย่างเนี้ข้ามันใหม่ใหม่ก็มันหวานมันพอมันมันจําเจแล้วมันก็เบื่อหน่ายนะ ไม่อร่อยอร่อยเหมืใหม่ห่มันก็อยากจะหาของใหม่ๆหมันเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเสื้อผ้านี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยฮะเดี๋ยวก็เอาสีนี้เดี๋ยวก็เอาสีนั้นเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็เป็นเกงเดี๋ยวก็เป็นกระโปรงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปตามอารมณ์นหลัคือความทุกข์ของคาราว่าไม่ไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมความอยาก ความอยากตัวเดียวเท่านั้นแหละเอาว่ามาจะถามเรื่องกแผ่เมตตาค่ะถือว่าเราทาอะไรก็ทำาห้เราแผ่เมตตาไปแล้วค่ะสำหรับคู่เราเองจะได้รับสิ่งที่เราสมใจหรือว่าโชคดีรับเองจะต้องเป็นยันงไงบ้าจะได้รับเก็เวลาคุณเอาของขวัญไปให้เขานี่เขาได้รับหรือเปล่าได้ค่ะแต่เปยังไม่เปิดอีกเรื่องนึงเอาเรื่องของเขาเราให้เขาแล้วนล่ปีใหม่ล้าก็ซื้อของขวัญแล้วก็วไปให้เขาอันนั้นหลักเมตตาแล้วนี่ค่ะ แต่เมตตาแบบลอยๆแบบใจคิดไปนี่มันไม่ไม่ใช่เมตตาอันนี้เป็นการซ้อมเป็นการทําการบ้านเมตตาจริงๆต้องเวลาเจอกันเจอกันก็ยกมือไหว้กันยิ้มแย้มแจ่มใสาคาดทายเ อ, อถามความสารทุกสุขดีดอย่เงี้ยให้เขาเกิดความสุขใจขึ้นมาเรื่องความ เ, เมตตาหรือมีขนมมีอะไรพอแบ่งปันให้ก็ได้ก็ให้เข้าไปอันนี้เรียกว่าเมตตา หรือเวลาที่เขาทำให้เราโกรธแล้วเราก็ให้อภัยเขาไม่จองเวรจองกรรมอันนี้ก็มเมตตาหรือเวลาเราโกรธอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขาเราก็ไม่ฆ่าไม่ตีไม่ด่าเขาเราหยุดอันนี้ก็เรียกว่ามเมตตาต้องต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงถึงเรียกว่าแผ่เมตตาเวลาอยู่คนเดียวมันนอะอยู่หน้าหิ้งพระนี่แผ่นี่เป็นเรืงการซ้อมทาการบ้านยังไม่ได้แผ่จริงเออ ไม่รู้เหร อ, <c oughs> อมันแผ่เมตตาเพือดับความโกรธดับความทุกข์ในใจของเราเป้าหมายของการแผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพื่อใจเราเพื่อใจเราจะได้หายจากความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่นเพราะมันเป็นทุกข์กับใจเราแลวจะทำให้เราไปทำบาป ท, ทำกรรมแลวจะเกิดวิบากตามมาอีกอะเนี่ยคือการแผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อผู้อื่น <c oughs> เพื่อตัวเรา <c oughs> เราขอที่ศาสนาเราบอกว่าปฏิบัติเนี้ยก็ใหแผ่เมตตาไปคนตาบอดทูหนวกสอนกันเนี่ยมันก็สอนแบบนั้นแหละใช่ไหมแต่ก็ ก, ก็ทำแต่อาชีพต้องทําก่อนไงต้องซ้อมก่อนไงแล้วต้องสมมุติว่าเออเดี๋ยวเราไปเจอตาสีตาสาเขาด่าเราเราจะทํำไงจะแผ่เมตตาออกมิปัดแต่ว่าเนพี่ตายไปแล้ว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เรื่องของคนที่ตายเขาเขาเป็นเรื่องของเขาแล้วอันนี้เรื่องของคนเป็นเราไไมมม่่สาาารรถแเบุทิย์บุญได้เราต้องสร้างบุญเช่นมาทําบุญวันนี้แล้วก็ส่งบุญไปให้เขาได้อุทิศอุทิศกับแผ่ไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแล้วแผ่เมตตาให้กับคนตายไปแล้วคือถ้าดวงวิญญาณก็จะมาฆ่าเรานี้ยเราก็แผ่เมตตาให้เขาถ้าเขาจะมารบกวนเรา เราก็แผ่ไม่ตายเขาบอกว่าออย่านีเวมีกรรกันเลยเราไม่เอาอะไรคุณหรบกน ะ, ะที่ว่าสัดเทตัดตาครับก็ให้ใหแบบว่าทุกคนทุกคนสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเวลาจเจอเจอหมาเหา่าเราเราก็อยากไปตีมันอย่าไปโกรธไปเกลียดมันลิงมันมาคุณลิงมันมาทำร้ายเ้าวของเราก็อยากไปฆ่ามันให้อภัยมันเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลย พระอาจารย์คะแล้วอย่างฟังพระอาจารย์อยู่บ้านทุกครา้งที่พระอาจารย์ให้พรเนี่ยเราสาธุด้วยอย่างนี้ได้ไหมคะพรนี่เป็นเป็นเป็นเป็นการให้ถ้าแปลถ้าแปลความหมายเข้าใจก็เป็นคําสอนท่านั้นเองเป็นธรรมะท่านั้นเองไม่ได้เป็นพรแบบว่าจะให้เราขึ้นสวรรค์แล้วตกนรกพระอาจารย์ครับจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกอยู่ที่เราทําบุญหรือทําบาปการที่พระให้พรนี่ความจริเป็นคำสอนเนี่ย มันมีสองส่วนการให้พรย่าถากระสับทีย่ถาน h i s แสดงถึงอนิสง์ของการอุทิศบุญให้แก่ผู้อื่นบุญที่เราทําเนี่ยเราสามารถอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วที่ไม่ดีบุญเข้ามาสามารถขอบุญแบ่งบุญส่วนนี้ไปได้เรียกว่ายาา่าถาส่วนสับทีนี้เป็นการแสดงความยินดีหรือแสดงอ น, นิสงของการทําบุญว่าทําให้เราสุขเจริญด้วยการทําบุญเป็นคําสอนเป็นธรรมะ อถ้าเราแปลความหมายอยาอกมาเราไปแปลดูสั้นๆแค่นี้มันมีสองเขาจะเรียกายะข า, าให้ผีสัพผีให้คนอะไรเวล า, าถ้ายะขาเนี่สนแสดงว่าท่านกําลังพูดถึงเรื่องของผีการอุทิศบุญให้แก่ผียะข า, าให้ผีพอสัพพีนี่สนแสดงว่าท่านกําลังอนุโมทนาสนแสดงความชื่นชมยินดีกับการทําบุญของเราว่าเราทาอย่างนี้ดีแล้วความสุขความเจริญอยู่ที่การทําบุญนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันไม่ได้หรอก ที่ที่พระสวดสไปนีนเปน่เป็นการสอนเพ่ยงแต่เพมันเป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจเราก็เลยแปลเป็นกาถาอาคมไ ป, <c oughs> ไปอะไรนะต้องต้องรู้ความหมายก็ต้องแปลด้วยใช่มันเป็นคำสอนอนุโมทนากอชื่นชมยีดีให้กำลังใจกับเราทำต่อไปนะทำอย่างนี้ดีถูกต้องแล้ว อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ากางให้พรนงพ่อคือเมืเหมือนทุสรโโบานไหมว่าจางว่าอันนี้เป็นตัวว่าคุณได้บุญไปแล้วอะี้ยใช่ก็คนทำบุญบางทีก็ยังอยากจะให้คนเขาชื่นชมยินดี สนับสนุนนะอย่างคุณมาทำบุญเนี่ยพอคนเขาบอกดีแล้วตอนที่ทำอย่างเี้ยโอ้เกิดกาลังใจขึ้นมาเลยถ้าเกิดก็ว่าอย่าทำเลยพี่เจกะยุ่งยากก็เกอเกิดกาลังใจเลยใช่อ่ไม่หมดนะครับไม่หมดเรื่องาเอไม่มีคนอย่างเงี้ยนะเาอันนีเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญพะสวดเวลาพระให้พรก็เรียกอนุโมทนาอนุโมทนาบุญ ให้ความยินดีซึ่นชมยินดีกับการทํำดีของเราให้กําลังให้เรามีกําลังใจที่จะทำต่อไปใช่ครับอคือในชีวิตประจําวันเนี่ยครับคือคนทั่วไปเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยแต่ถ้านเวลานั้นแม้แต่ตอนทํางานแม้แต่ตอนเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครับไม่เกี่ยวกับ อ, อธรรมะเลยแต่ในวาระตอนนั้นอ่ะ จิตเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามอันที่สงเกิดตามทีนะครับพอาจารย์ถ้าเป็นสมาธิมันก็เป็นกบุญมันก็เป็นกุศลนี่คือไม่ว่าจะเกี่ยวกับธรรมะหรือไม่ไม่อ่าบาทีธร ร, รมะมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นเด็กนะท่านอดีวันนั้นเขามีงานได้งานขวัญพื้นมงคลพวกบริพารที่คอยห้อมล้อมต้องไปห้อมล้อมต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นไว้ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียว พออยู่คนเดียวไม่มีใครมายุครบควรรูปเสียงจิตลดไม่เข้ามาทางใจปั๊บจิตมันก็เดินเข้าสู่อัปนาเลยเพราะท่านเคยทํามาแล้วแนด่ดุพอมันวิเวกปั๊บจิตพอกายวิเวกปั๊บจิตก็วิเวกเลยอันนี้ยเกิดสมาธิขึ้นมาอย่างคนบางคนก็ามาเล่าให้ฟังว่าคนหนึ่งเขาบอกเขาเตรียมใ น, นการจัดการเรื่องบวชลูกของเขาเนี่ย เตรียมข้าเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดเลยพอถึงเวลาเข้าโบสถไปนั่งอยู่คนเดียวฟังพระ ส, สวดจิตสงบเลยจะเป็นอานิสงส์ส่วนหนึ่งก็จะเป็นบุญเก่าที่เขามีอยู่แล้วเคยเค ย, เค ย, เ, ค ย, เ, คยเคยมีความสงบอยู่แล้วพอมีปัจจัยรอบข้างเสริมให้เกิดความสงบมันก็จะสงบทันทีอย่างนี้จะได้อา น, นิสงส์ในหมวดของภาวนาใช่ไหมสมาธิก็ได้สมาธิ น to ี่มันจะได้มากได้น้อยก็อยู่ว่ามันสงบนานหรือไม่สงบไม่นานแล้วจะทําต่อไม่ทําต่ออีจะได้ให้คนที่เขาร็อฟังเนี่ยทราบไว้ว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองแค่เกิดสมาธิก็เป็นอันดีสงแล้วไม่เพราะเยอะครับที่เข้าใจว่าผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับสําหรับชาวพุทธสมัยนี้ที่เข้าใจว่าคทำบุญต้องใช้เงินที่ใช้เงินนี้เครื่องหมายความว่าสำหรับคนที่มีเงินมากเกินไปไม่ให้เก็บเอาไว้ ไม่ให้ใช่เพราะมีเงินเก็บไว้ไม่มันจะเป็นโทษกับเรามากกว่าเป็นคุณเพราะมันจะถูกกิเลสดึงให้เาไปใช้ทางกิเลสฉั้นถ้าพอกิเลสจะให้ดึงเข้าไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็เอาเงินที่เอาไปเที่ยวนี้มาทําบิณแทนเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่มีเงินก็จบอย่างผ้านี่บวชอย่างที่เทศตอนแรกไงพอผ้าเอาบวชแล้วไม่มีเงินเหลือสักบาทแล้วนี่ไม่ต้องไปเรีย่ยไรผ้าป่ากรถินแล้วไม่ใช่หน้าที่แล้วทำขั้นต่อไปทวยีกับภาวนาแล้ว ทานนี้เพื่อทําให้เราปลดปลดภาระของเราที่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินใช้เงินพอเราไม่ต้องใช้เงินหาเงินเราก็จะได้มีเวลารักษาศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่มีก็จบถ้าไม่มีเงินจะทําบุญทําทางก็จบรักษาศีลไปได้เลยก็เป็นเอาแรงไม่มีเงินทําบุญจะเอาแรงงานไปช่วยวัดไปช่วยบุญศาสนาได้ศาศาาได้ไดถ้าอยากย่าง ถ้ายังอยากจะทําทําบุญอยู่ก็มีอย่างเองื่นบุญนี้ต้องสิบประการทานบารมีรเจ็ดพันเพื่อนับใช้ผู้อื่นนี่ก็เป็นบุญฟัเงเทศฟังธรรมก็เป็นบุญช่วยตัวใแท้ธรรมะก็เป็นบุญ พ, มามาพ่พบคนมามากเื่นะพระอาจารครับพบคนมากเลเจนที่บอกว่า ไม่มีตังทำบุญไม่ได้คพับเขาไปถือศีลภาวนาซีเราเราก็ไม่รู้จะพูดไงเขาก็เชื่อมาอย่างนั้นเข้าใจว่าบุญเกิดจากการให้ทานอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ต้องอธิบายก็ว่าบุญมันมีหลายหลายระดับด้วยกันแต่ส่วนใหญ่คนอ้างกันมากกว่าไม่มีเงินทำบุญเท่าท่าช้อนเดียวก็ทำได้ในสมัยพระพุทธการเนี่ยชายแจกคนหนึ่งรู้สึกว่าจัดข้าวถวายท่าใส่บาตรท่าสาลีบุตรเนาะ แล้วพออยากจะบวชพระพุทธเจ้ากระถามว่าชายคนนี้เคยทําบุญให้กับศาสนาหรือเปล่าพระสาวีบวชก็เ ค, เคยเคยใส่บาตรให้ผมช้อนเนี่ยเอเอดีคนนี้มีใจเป็นบุญบวชได้อะไรเงี้ยคนที่มันไม่ทำมันอ้างกันมากกว่านะพรอาจารย์ครับลายไม่เป็นทางนี้ก็ทําไม่ได้แต่ให้มีมากมีน้อยมันก็ไม่ทําคำแล้วแล้วมันมีข้อหนึ่งครับอาจารย์ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกไหมว่า ผมมกักจะสอนเพื่อนเรียกว่าบอกเพื่อนแล้วครับบอกเพื่อนบอกคนรู้จักบอกคนที่ได้มาคุยกันเนี่ยว่าการทําสังฆทานเนี่ยไม่จะเป็นว่าจะต้องมานั่งต่อหน้าพระสี่องค์ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นทางสังฆทานหรือชุดสังฆทานมาแต่ว่าสังฆทานเนี่ยตักบาตรหนึ่งช้อนตักบาตรใส่บาตรหรือทําอะไรให้ผู้าศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังฆทานแต่ว่าวาระจิตเราเนี่ยต้องทําถวายสม ถือว่าเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย์คือทานที่เราทํากับพระเนี่ยมีสองลักษณะเหมืนเขาเรียกบุคลิกทานกับสังฆทานครับบุคลิกทานก็คือถวายให้องค์ใดองค์หนึ่งครับเช่นคุณวันนี้ซื้อของมาให้เราคนเดียวเป็นของเรานี่เรียกว่าบุคลิกทานแต่ถ้าคุณซื้อของมาแล้วบอกว่าขอให้ถวายขอให้กับพระทุกรูปในวัดนี้นี่เรียกว่าสังฆทานครับอย่างอย่างการตักบาตรเนี่ยผมจะให้คิดประมาณว่าตักบาตรไปเนี่ย แต่ให้คิดว่าเราถวายสงนะเพราะองค์นี้คือหนึ่งในสงแล้วพอท่านฉันเนี่ยท่านก็มีแรงเพื่อไปปฏิบัติธรรมเพื่อทะลุลุมลุงพระศาสนาก็เลยการเป็นสงไปนี่ถูกไหมครับอาจารย์อย่างที่พระเจ้าบอกไม่ยอมรับผ้าจากพระพุทธมารดาเลี้ยงเนยที่ท่านตัดเย็บจีวรจะถอให้กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกไาถวายสงไปให้เป็นสังฆทานให้สงเป็นผู้พิจารณาว่าใครควรจะได้รับผ้าหนี้คือถ้าองค์ไหนขาดผ้าก็ควรจะได้ไม่ใช่จะให้แต่เราองค์เดียว ให้กับพะเจ้าองเดียวพระเจ้าบอกให้ให้อาไปให้สงแล้วสงจะไปพิจารณากันเองว่าองค์ไหนกําลังขาดแคลนผ้าก็ให้องค์นั้นไปคือเหตุสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัตถุทานที่ให้แต่อยู่ที่จิตเราเป็นสงให้ถวายสงหรือแค่องค์เดียวใช่ไหมครับคือถ้าสรุปง่ายๆคือถวายส่วนรวมหรือถวายส่วนตัวครับถ้าถวายส่วนตัวคนที่ตายไปบางทีจะเขียนมรดกมอบให้กับใครก็ได้ครับแล้วถ้าเป็นส่วนรวมนี่จะเป็นของพระพุทธศาสนาไปตลอด เป็นศาราหลังนี้เขาก็ถวายเป็นสังฆทา น, นวัดเขาก็ถวายเป็นสังฆทานเขาไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาถ้าถวายให้เจ้าอาวาเดี๋ยวท่านเขียนมรเดี๋ยวว่าชั้นตายไปขอมวกให้กับนายกนายขอเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังยึดติดอยู่ที่การคําว่าถวายสังฆทานเนี่ยคือบางทีก็พา้าสี่รูปแล้วก็ถังชุดสังฆทานอย่างนั้นนะครับก็เลยก็คือว่าพระท่านก็เลยมาแก้เคล็ดเนี่ยเพราะว่าถ้าอยากถวายสังฆทานให้ถูกตามหลักพระมินัยก็ต้องมีพ้าอย่างน้อยสี่รูป เพราะว่าคำว่าสงนี้ต้องแปลว่าต้องมีภาพสี่รูปถึงจะเรียกกันองสงถึงจะครบองสงค์คือเพราะความส่วนใหญ่เนี่ยความเข้าใจจะไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลยต้องออมีคุณสโลบายสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าเนี่ยคือสงใน ค, ความจริงคือขอให้เข้าใจว่าเป็นการถวายส่วนรวมถวายให้กับศาสนาครับไม่ได้ให้ถวายให้กับภาพรูปหนึ่งรูปใดครับเช่นเวลาถวายศาราหลังนี้ก็ไม่ได้ถวายให้เราคนเดียวถ้าเราถวายเราคนเดียวพระองค์อื่นจะมาใช้เราก็ห้ามก่อนได้ ถ้าพูดถึงว่าอ่าไม่ได้ความอยากนะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าพระอาจารย์เปรียบเทียบแล้วเนี่ยระหว่างถวายพระหนึ่งรูปที่จอดจงกับถวายสงฆ์อันนี้สองการกันมากไหมครับก็เวลาจะบวชพระต้องมีสงไม่ใช่เลยครับมีพระสิบรูปถึงจะบวชได้สิบรูปใช่ไหมถ้าไปถวายพระองค์เดียวเนี่ยแล้วเดี๋ยวกับเท่าเอ่ยเขาไม่เข้าไม่มีข้าวกินเขาเสษรกันเลยหมดเนี้ยก็เหลือพระองค์เดียวแล้วพระองค์เดียวจะบวชพระใหม่ได้ปะไม่ได้ เราต้องมีภาพอย่างน้อยสิบรูปเราถึงต้องรักษาสงไว้ให้ได้คถ้าขาดสงไปแล้วนี่ก็ทำยันไม่ได้ยังนะอันนี้สงก็ต่างกันมากใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ศาสนาผู้จะอยู่ต่อไปได้ก็อยู่ที่สงพระพุทธเจ้าสมมติถ้าถวายจากพระพุทธเจ้าเดียวไม่มีใครไม่มีไปใครไปถวายให้กับภาพลูกอื่นภาพลูกอื่นก็เสึกไปหมดเพราะไม่มีท้าวกินไม่นี้ไม่มีอะไรอยู่ไม่ได้ใช่ไหม เ, เพราะว่ายาวตายไปศาสนาพุทธก็จบไปครับเหมือน เ, เหมือนพระปเจตกับพรทธาเจ้าเพราะท่านตายไปก็จบสังเกตที่สารารพระพาจารย์สาราฉันนะครับเห็นในรูปบ้างอะไรบ้างหรือคนบอกมาบอกว่า มีแต่คนต่อคิวจะถวายพระอาจารย์กันยาวคนไปขอจะถวายแต่พระอาจารย์ไม่ไม่ถวายหัวแถวไงมันแถวอาจารย์แถวก็มีแถวเี่ก็ถ่ายถวายพระหัวหน้าก่อนเพราะโดยจะโดยธรรมเนียมของพระกําพระต่าพระปฏิบัตินี้จะต้องให้ให้ผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่รับก่อนแล้วตักลงใบตามลาดับอย่างที่วัดป่ามั่นตราก็ถวายที่หนองตาก่อนพอหนองตาตักใส่ยบาท่านแล้วท่านก็ส่งให้พระไปตักบาด องอื่นต่อไปเป็นทําเมียม่ใช่เมงของพระป่าเขาทำกันอย่างนี้ทุกอย่างจะต้องไปที่หัวหน้าก่อนครับเขาลบหัวหน้ามากถ้าพระป่าเนี่ยเวลาจะฉันนี่ถ้าหัวหน้ายังไม่ฉันไม่ฉันนะใช่ครับเขานั่งรอดูหัวหน้าฉันก่อนถึงจะฉันเนี่ยนั่นต่างอันทําเมืยงของพระป่าและบ้านไม่เหมือนกันพระบ้านนี้ของใครของมันครับยามบินบาบกลับมาก็เข้ากุฏิเลยขยจุดมันกดขยันดนั่นไม่มีครับไม่มีเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องลูกศิษย์ ส่วนใหญ่ยังไม่มีความสัมพันธ์กันครับแล้วบางทีก็จะหลงที่ว่าเท่ากันเลยอย่างพูดถึงว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับที่บอกว่าพอาจารย์ยังไม่ได้นัดทำตีเลยครับก็เหมือนสมัยผมไปบวชอยู่ที่แม่ท้องสอนนะครับผมบวชมาถ้าตั้งสาจะจะหมดตั้งสาอยู่แล้วเนี่ยยังต้องยังต้องฟาหุ่งไม่ได้เลยเพราะว่าให้ปฏิบัติอย่างเดียวเลยมลมนิีตรวจตรวจจนไม่ได้เลยไม่สวยครับ เหมือนกันเราตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเราไม่เคยสวดมนต์เราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติฐานการสวดมนต์ถ้าถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยก็ข้าเท่ากับสวดมนต์ไม่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่การสวดมนต์ก็เพื่อทำให้จิตสงบไงครับงั้นถ้ามันสงบแล้วไปสวดทำไมัำไมถ้าไป ส, ไปสวดมันก็ไม่สงบเลยยังไงจิตสงบแล้วก็ต้องปล่อยมันอยู่เฉยๆดูลมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ ไมใช่ว่าพอจะนั่งจิตสงบแล้วกลับดึงกลับให้สวดมวนต์สวดมวนต์เหมือนคนนอนหลับแล้วตุกมันขึ้นมาเตือนมมมมไม่หรอกการสวดมวนต์นี้เป็นอุบายห ย, ยาบๆเป็นขั้นต้นง่ายๆ<ม><ม> ว, วันไหนจิตวาวุ่นมากๆจะนั่งสมาธิมันก็นั่งยากเข า, าเอาเอาเอาบทมนที้มาก็ได<ม>้ฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมก็ได้แต่วันไหนอย่างเรานโมตัสสะแล้วก็อิติปิโสพะควาเสร็จแล้วขอนัอ่ง นั่งนั่งปฏิบัติทำไว้ได้เลยใช่ไหมครับได้เราก็ต้องการจะให้มันสงบเท่านั้นนะจะทําวิธีไหนก็ได้อขอให้มันจิตมันสงบอย่างเดียวจะสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะดูลมก็ได้อืจะฟังธรรมก็ได้วิธีไหนที่ทําให้จิตมันสงบให้วางเร็วเร็วที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าอยู่คนเดียวเป็นเด็กก็สงบแล้วอยาให้คนมาวุ่นวายกับท่านท่านจิตก็สงบได้มันแล้วแต่กําลังของสติของแต่ละคนมีมากมีน้อย ถาสติออกนี่มันก็มันก็จะไปวุ่นกับเรื่องราวมากก็จะทําให้มันสงบยากเบางกีเหมือนพอพอพอกําลังตรวจมลยังไม่เสร็จมัยติดมันเริ่มเริ่มเริ่มไมนั่นและเริ่มเริ่มเบาเริ่มคนที่ตรวดไม่รู้เรื่องเลยอก็ไม่ต้องสวจแล้วหยุดเลยแล้วก็ แล้วก็นั่งไปเลยนั่งไปเลยดูนมต่อก็ได้ก็เวลาสวดก็นั่งอยู่ในท่าสมาธิไปเลยสิครับนั่งหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจแล้วหลับไปเลยแล้วก็แล้วก็ติดมันลงไปเลยหลัเลย่ใชมันลงมันลงไปเลยไงมันเบาไปแล้วพอเริ่มเบาปุ๊บมันมันจําไม่ได้แล้วสงบสงบแล้วมันเริ่มสงบไปปล่อยปล่อยปล่อยตามตามตามเรื่องไปเลยอ๋ออนนี้ก็คือว่าถูกแล้วถูก เป้าหมายก็คือทำใจให้สงบวิธีใดก็ได้ฟังเทศก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งสมาพุทโธก็ได้เนี่ยมันมีต้องสี่สิบวิธีกรรมาฐานสี่สิบนี่เป็นอุบายของการทำใจให้สงบตงนั้นเนี่แล้วแต่ว่าจะถูกจะกลับจริตเราชนิดไหนแล้วก็ใช้อันนั้นไปดีดีวันไหนไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากสวดก็เปิดเปิดบทธรรมะของหลวงพ่ออาจารย์ดิฟังฟังไเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยปล่อยไ ป, เ, ไปเลยปล่อยตามที่ท่านที่ดุตพระอาจารย์เทพไปเรื่อยๆปล่อยแล้วมันก็วางลงไปเลยการฟังธรรมก็ทําให้จิตสงบได้แต่สงบระดับหนึ่งไม่ไม่ไม่รวมเต็มร้อย อ, อย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยยนจิตจิตใจเยมังจับอยู่ตรงเปี่ยนอยู่อพอเราหยุดฟังตอปแล้วก็นิ่งเข้าไปได้ตหมือนเหมือนกับขับรถเนี่ยบางวันก็ บางาจิตฟุ้งซ่านมากก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งเหมือนเวลารถจอดเวลาจะออกรถจอดมันต้องเข้าเกียร์น่แต่ถ้ารถมันวิ่งอยู่แล้วมันก็เข้าสองเข้าสามก็ได้จิตของเราอยู่ระดับความความสงบว่ามันสงบนอ้นอยสงบมากแล้ววุ่นมากแล้วุ่นน้อยถ้าวุ่นมากเนี่ยอาจจะต้องใช้การท่องบทสวดมนต์ไปก่อนเอามาเข้ามาปิเาดเจนาครับใช่ถ้าวันไหนมันไม่วุ่นวายนะนั่งเฉยๆได้ก็ดูลมไปเลย อันนี้เราถือว่าถูกเอาแค่อิจิตตัวตัวอย่างเดียวก็พอเนี่ยะครับแล้วแต่แล้วแต่อุบายของเรา อ, อันเรื่องนี้มันจะไปกําหนดว่าเป็นอันนี้ยอันนี้ไม่ได้แต่และคนนี้จะต้องหาหาธรรมะที่เหมาะกับจริตของตนเหมาะกับภาวะของตนในเวลานั้นแล้วอย่างบางบางคนที่เขพูดต้องทำบัดเช้าทาบัดเย็นนี่ก็เพ้่อจได้ส่วนมรรทันที่จะไปดูทีวีของเขาไม่มาให้ทมันจะจับตรงนี้เอให้มันมีจิตทางจิตใจไม่ใช่จิตทางกิเลส ถ้าไม่มีกิจเลยเดี๋ยวมันเตื่ขึ้นมามันก็จะเปิดทีวีดูแล้วดูข่าวดูอะไรไปแล้ะจะให้มีกิจทางจิตใจบ้างจิตใจจะได้มีความใส่ใจบ้างแล้วอย่างตอนตอนตอ น, ตอนนั่งนั่งเด็ดนั่งแล้วเราเข้าต้องใช้หัวข้อของหลักธรรมมาพิจารณาให้เกิดปัญญาตัวเนี้ครับอันนี้ต้องอยู่ที่ขั้นตอนของการปฏิบัติของเราว่าเราเร า, เราอยู่ในระดับไห น, น ม, มันต้องผ่านสมาธิก่อนถึง จ, จะใช้ปัญญาได้อย่างมีเหตุมีผลใช่ผมก็ ก็อย่างวันนี้ยที่ติดผมกระพิษมาถามพระอาจารย์เหมือนกันที่ว่าเราเราเป็นคารวาสเราไม่รู้หัวข้อธรรมที่ว่ามักเป็นองแปลอะไรเงี้ยเอามาเอามาหาหาเหตุผลหาเหตุผลหาเหตุหาผลจนจนเนียจนจนมันถึงจนไม่มีเหตุผลแล้วส่วนมากเขาจะแนะนําให้เป็นแบบนี้อะครับให้รู้ว่าเมตตาบูณาเป็นไงหาเมตตาเป็นไงหาเข้าไปหาไปจนละเอียดละเอียดมากละเอียดบรญการบัญการเสร็จละเอียดอีกแล้ก็ละเอียดเข้าไปเข้าไปอย่างเงี้ย แล้วคนดีเราเป็นคารวาสเราไม่รู้เราไม่รู้ถึงจุดนี้อะครับบันทีของพวกนี้บางทีก็ไม่ต้องรู้หรอกปฏิบัติไปมันจะรู้เองจากการเแค่เอาแค่ก็เท่านั้นเองออาจัตตังอได้ขอให้มันเข้าสู่ระดับปัญญาแล้วทุกอย่างมันจะมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเองอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองขอให้ได้สมาธิก่อนครก่อนจะได้สมาธิก็ขอให้ได้สติก่อนก่อนจะได้สติก็ขอให้ได้ศีลก่อนก่อนจะได้ศีลก็ขอให้ได้ทานก่อนมันเป็นขั้นตอนอย่าไปข้ามขั้น ในทุกวันนี้มันมั่วกันทำทุกขั้นไปเลยทางก็เอาสิ่ก็เอาปริญาก็เอาใช่ครับบางทีมันมันมันยากเกินไปเรื่องอย่างเราไม่รับรู้เราไม่เคยรับรู้เรงแบบนี้นนเนี่ยเรียนทีละขั้นเหมือนเรียนหนังสืออะอยู่ชั้นปหนึ่งก็อยู่กับปหนึ่งไปก่อนท่องกรไก่ข้อไข่ไ้ก่อนอย่าเพิ่งไปอ่านหนังสือปัจชญาเลย <c oughs> มันคนละขั้นกัน เราตามตามจริตเรานะครับตามทั้นโดยตามฐานะจิตของเราถ้าจิตของเราอยู่ในขั้นสีก็ข้ามก็ขึ้นไปสู่สมาธิถ้าอยู่ขั้นสมาธิก็เข้าไปสู่ขั้นปัญญาได้แต่ถ้าละศีเนี่ยแต่มันไม่สมบูรณ์นะครับอาจารย์เช่นเช่นข้อมุสาที่ยากที่สุดก็ไม่สมบูรณ์ก็แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์จะมาอ้างอะไรไม่ได้เราจะพอนับต่อไปเลยได้ไหมครับก็ได้แต่มันอาจจะมีเขาเรียกอาจจะมี อุปสรรคไงบางทีภาวนาไปแล้วกังวลกันเลยไหมคูไปโกหกคนนั้นไม่สบายใจมันมีจุดหนึ่งที่มั น, ม, น, น, น, นมันนมิวร์มันเป็นนิวรน<ข>มันจะมาไอไอไอตัวโกเนี่ยตัดได้พอสมควรแล้วแต่ว่าไพอพวกเฟเจอร์เยอครับนที่พูดเราไม่เคยระวังนที่พูดไปแล้วมามานั่งคิดเหตุหลังไหเราไม่น่าพูดเลยนะวเวลาภาวนาก็ทาให้มารบกวนการภาวนาได้ได้แบนี้มันมันจริงและจิตมันจะพาตัวเองคือว่าไม่จาเป็นต้องพูดให้พูดให้น้อยลง ถ้ามันสงบแล้วมันจะถ้ามันเริ่มสงบมันก็จะมันก็จะพูดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะการพูดนั้นออกมาจากจิตที่มันไม่ไม่สงบพอมันสงบแล้วไม่อยากจะพูดเออเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นหนาติดบ้านย่างเดินสวนไปสวนมาไม่พูดเลยไม่อยากจะพูดบางทีไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะยุ่งด้วยได้มัจะอูเบกขาไงความสงบนี่จะทําให้ใจเป็นอุเบกขาแล้วก็ดีเราจะปากไหครับ เราจะบาปนะครับก็เกิดว่าไราบาปอะไรเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วไม่ได้ไปทำร้ายใครเบไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างพ่อแม่อะไรนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมก็เลยเดินเดินสวนไปสวนมาเขาไม่บาปแบบถ้าไปตีท่านก็บาปไปด่าท่านก็บาปแต่ถ้าถึงเวลาจะต้องทําหน้าที่ปนมบัตท่านไม่ทําเนี่ยถึงจะเรียกว่าไม่ได้บุญไม่กระทำอยู่แต่ก็ไม่บาปเลยบาปเพื่อคือการกระทําร้ายผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตอบทนลุงคนี้เขาเรียกว่าไม่กตัญญูใช่ไรับกตัญญูว่าคุณไม่ได้บุญไม่บาปไม่บาปอไม่บาปเพราะงนเกิดคุณเปนำมาพุดธประาแล้วคุณไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่คนนี้ก็บาปมันไม่บาปไม่บาปแต่ไม่กตัอยูไม่กตัญญูเพราะมันทาไม่ได้อยู่กัได้อไม่ได้ไม่สมไม่สมกตัญญูใช่ก็ไม่สมอย่างเมื่อวานมีคนมาถามอาจารย์ถามเรียนถามพระอาจารย์เลยครับว่าสมมติว่าเขากินเหล้าเนี่ย เขาเนี่ยเหมือนกับว่ากินแต่ไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใครอย่างนี้บาบไหมไม่บาบไม่บาบแต่ไม่ไม่ได้ประโยชน์เนีไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งสมาธิไม่บาบไม่บาบแต่ท่า กินเยอะแล้วตัวเอง่ทำร้ายร่ากายก็คือทำให้ร่างกายเสื่อมทรมเร็มนี่บาดเลยนก็ฆ่าตัวเองนั่นเอก็ทำร้ายตัวเองก็จะว่าบาดก็ได้ก็คือว่าบาดได้ถ้าฆ่าตัวตายก็บาดทรให้ชีวิตสั้นลงมนก็มีใครอยากจะอยู่ส้นใครอยากจะอยู่ยาวถ้าทำโทษตัวเองแต่ยังบางียไม่ใช้คำว่าบาดนี่ค่ะบาดมันจะเกี่ยวข้อกับการทําร้ายผู้อื่นไม่สนใจไม่หนุ่ยนนี้ ก็เป็นการเล่นการงินมันเ็ระบายมันยังไม่ถูกสี๋แต่ก็เล่นมากๆเสียมากๆเดี๋ยวต่อไปเงินไม่พอเล่นมันก็จะไปขโมยเงินมาเล่นต่อมันจะเป็นเหตุที่จะให้ไปทาบาปต่อไปแล้วผสงสัยเรองอย่างบริษัทใหญ่ๆาลที่เขานปัอขายใหญ่ๆเลยครับอย่างี้คาที่เขา แต่เขาก็ทำบุญคืนให้ทำบุญทำบุญคืนให้แต่ว่าบุญร้างบาปไม่ได้ไม่ได้ในความวบุญกเรื่องของบุญแต่บุญกับบาปมันจะมามีผลตอนที่เราตายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญมันก็จะเด้งไปสวรรค์ก่อนยังไม่ต้องไปใช้กรรมแต่บากรรมยังมีอยู่บาปไม่มีอยู่ยังรอให้บุญหมดกำลังก่อนแล้วมันถึงไม่ค่อยเดึงเราไปแต่บาปที่การฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นล้านๆตัวนี่ชื่อหนักมากใช่ไหมครับอาการยก็มันก็คูณไปไง คุณค่าหนึ่งตัวมันก็หนเท่าถ้าค่าล้านตัวมันก็ล้านเท่าล้างไม่ได้ก็ต้องก็ต้องรอผลว่าอะไรจะมาก่อเจตุน่เาเห็นตัวนี้ก็พอพอกอฌานปุน๊ปีหนึ่งพอจะทำบุญใหญ่เลยเนี่มันจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาตายถึงเวลาตายถึ ง, งจะรู้ว่าการไปสวรรค์หรือตายในโลกก็รู้นะอยู่ตรงนั้น ไมพูดเดี๋ยวเดี๋ยวคาดจริงเดี๋ยวต้องเดต้องกี่ราไม่ได้กลกันะเดี๋ยวเพื่อดออกเพราะว่าเพราะว่าเหียจริงเพราะว่าเาอตีน่งปุ๊บเขาจะทบุญใหญ่ผมก็พูดถึงนี้ครับเราไม่ารงเราไม่คาดจรงมือนราไคจรีว้ององได้ตอนนี้เราสายตรงอยู่แล้วทไมนี่ก็ชอบฟ้งรองเหมือนกันหน่อยจริงเดี๋ยวต้องไปขึ้นสูงขึ้นต่ำ ก็สร้างไก่ตัวใหญ่น่าหน้าหอยากแบบนี้สงสัยอยู่เลยแล้วก็คือว่าปีหนึ่งปุ๊บเขาก็ทำทำะารทานใหญ่เลยถ้าจริงนะอาจเือนปัจเจกพุทธเจาตัวคะที่ที่ปัจจุบันจริงๆในยุคของพระพุทธองค์ยัง่จมนีไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคนที่จะบรรลุได้รู้คำสอนเขาก็จะใช้คำสอนพระเจ้าก็จะเป็นแค่ภาษาโลก แต่ในอดีตต้องต้องมีอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าออก็ต้องหาเจ้าต้องหาธรรมะเองต้องหาอนิยมสัจจีแต่ตอนนี้ได้ยินได้ฟังอนิยมสัจจีแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นพระพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์กลาเป็นพระอรหันต์ไปแต่ก็เหมือนใจก็ถึงนิทานเท่ากันแล้ที่บอกว่านิทานเป็นอารมณมาสุขที่คือสุขใจอิ่มใจไม่มีไม่มีความทุกข์ใจเลย จะไม่มีสิทธิ์ที่จะขุดอะไรมากโแก่แต่ก็ไม่ทุกเจ็บก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุกโดนคนด่าก็ไม่ทุกหรือนทุกตีอย่างถ้ามวกคลานี่แต่เขาจะมาฆ่าท่านก็ไม่ใช่อกทิฏฐิหรือชัวหนีวันนี้เดี๋ยวพรุนี้ก่ะไม่้อฆ่าได้เลยใจไม่เดือดร้อนก็ใจไม่ได้ถูกถูกฆ่าสิ่งที่ถูกฆ่าก็คือร่างกายเหมือนคนขับรถจากรถยน คนเอาค้อนมาทุกบรถอย่างนี้ไม่ได้ทุบไม่ได้ตีคนค น, คนขับคนขับไปเดือดร้อนเองแต่ละคนที่หลงก็คิดว่าใจเป็นร่างกายตัวกายมาทําร้ายร่างกาย ก, ายก็คิดว่าทำร้ า, ายใจแต่คงที่บรรลุทาํามแล้วจะแยกใจร่างกายออกจากใจใจออกจากร่างกายเป็นคนละคนกันตีน้องแต่ไม่ได้ตีที่กายเป็นนายกายเป็นบ่าวตีบาวแต่ไม่ได้ตีนาย นายมิติไม่ได้เพราะนายไม่มีรูปร่าง ห, า ต, หาตัวนายไม่เจอ <c oughs> ม า, านะเจอแต่ลูกน้องเจอแต่ร่างกายเวลาโกรธใจก็ามาฆ่าร่างกายเขาไม่ได้ฆ่าเราเหรอกเขาฆ่าร่างกายฆ่าน้องเราฆ่าน้องเราเพราะเรานี่ฆ่าไม่ได้เราเป็นไมเ่เราเป็นมนุษย์ร่างผลใจนี้เป็นมนุษย์ร่างผลไม่มีรูปไม่มีร่างเหมือนอวกาศนี่คุณยินอวากาศได้ไหมเนี่ย ยีงเข้าไปเถอะิงอากาศด้มันจะถูกตรงไหนจิตเราก็เป็นพลังงานด้ครับเรายังใช้คําพูดแล้วเพราะาจิตนี้ไม่สามารถเป็นมันไม่ได้อยู่ในมิติของคําพูดของเราก็พูดได้เราเพียงอ้อมันเป็นตัวรู้ตัวคิด<ม>แต่พอเราไปพูดพลังงานนี่เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเหมือนกับไฟนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วทำไมพูดถึงบางบางอย่างพลังกิตทําไมเราสา ม, มารถเทียบ ก็จิตเหมือนจะโทรสัมมือถือถ้ามันรู้เบอร์มันก็ติดต่อกันได้ถ้าเราถ้ามันเขาจะปรับกระแสจิตให้เข้ากับกระแสของคุณเน้่ยเาก็คิดถึงเขาก็ได้เราจะไ ด, ได้รับความคิดของคุณได้แต่วันนี้เราจะปรับปรับตรงกันก็ได้ หนูประเทศเรื่องมีของสอยู่จริเล้นโอ้โหเราก็ไม่รู้อ่ะมันก็อาจารย์เทนทำแรกขึ้นมาปุ๊บโอ้ทเลยประจํานะครับได้เห็นคนพูดเยอะครับอีกสามวันนล้วติดอย่เงี <m> ้ยโอ้โหคมันไม่หดไม่ออกอ <programs> <nobody> ่ะแต่เราก็ไม่รู้เองเนาะเราไม่ได้ตั้งใจพูดเะแลราก็ปล่อยให้พูดไปตามธรรมเ่ตามกระแสธรรมนี่วลาคนมาหาเราบอกให้เทนเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกอย่ามาบอกไม่ได้เหตวลาามันจะพ่อไปตามกระแสของมันเอง ถ้าบังคับแล้วมันจะไม่เป็นธรรมชาติแล้วฟังแล้วจะไม่ไม่ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีรับดีชาติก็เหมือนเราจะไปคุ้งไก่เราไม่ต้องคุ้งไก่ทำมาก็ให้มันตกใจตามธรรมชาติแล้ ว, ลวจะไหลคนไปเองแล้วการระยะเวลาดีผุกบุลองฝุดข้ามเดือนธาข้ามเดทอนาแล้วพอพอถึงเวลาได้กิงทุ๊บมันออก มันออกกับร่างกายเลยคือทั้งท้องเสียทั้งตาเจ็บทั้งเสจเจ็บทั้งในอาากก่ะครับประชวนไม่หมเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุการเกิดเกเกิดอใจกับใามันมีความสฉื่อยช้กันใจมันก็กระเพากระเพรอยงแตกกันได้เวลาเราไม่สบายใจนี่ร่างกายกระโดดด้วย <laughs> รอยละสี right, ่้อยละเจ็ดละอันนี้